วันนี้เป็นวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทำเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันท่านนี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะไหนก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทำต่อเริ่มที่แปด แปว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทถวายสัทคนจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลเบร์เซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคืออิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็นคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง คือเยอรมัอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษอังกฝรั่เศษอีกหลายประเทศรวมกันแต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต่างท่าต่างคนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะรงมือซึ่งกันและกันและค่าวเมื่อกรอก็จะมื่อก่ว่าจะมีสงครามหรือไม่แต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง เขาให้ที่ว่าชื่อบุตรดาแล้วราไปทราบนะอะนอลัตราดาบุตรลัตราดาบุตรนะเขสาสงครามร่วงหน้าว่าถึงสองพันปีโียเพราะอย่างยิ่งปีนี้ปีคิตศ ร, ราหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงคารามโลกครั้งที่สามแล้วก็สงคารามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงคารามที่มีความร้ายแรงมาก แต่ความจริงหนังสือที่อาตมาก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาไม่การอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระบบนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทําลายศาสนาในระหว่างศาสนากับศาสนาคือคือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะ ตามนหนังสือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็มันจะอ่านชัดนี้เรื่องของดาบุตรเรื่ออะไรไม่แน่ดาเรื่องของดาบุตรแน่ดาบุตรในกาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นพุทธศาสนายบุตรพุทธจิโนรถ เป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็มาดูคุณพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าสุพยากรณ์ไว้กับพระอนน์ อ, อานันทะดูก่อนอานท์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการร้แรงจะมีการรบราข้าวการสิงขารรารผลเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาฐ า, า น, นให้ประชาชนบุคคลให้พินาศ จะมีการล่มตายซึ่งอะราการเป็นมากแต่ว่าอนันทะโดกรานอนล <c oughs> ก่อนกึองพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักจึงหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึองพุทธกาลไปแล้วอ น, น อ, น อ, นอนันทะโดกรานนลจะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกืองพุทธกาลก่อนกึองพุทธกาลมากยับ ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราคิดเราจะรบราข้าวฟันทึ่งกันแล้วกัน <c oughs> จะยักษ์นอกพุทศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนะี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันทึ่งกันแล้กันแต่ต่างราฝ่ายจะล้มตายฝ่ายจะมากมากสมาธิพรานจะล้มตาย จะตายไปฝ่และครึ่งจริงจะเลิกหลกันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำพยากยององเย้ยพระรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุฒคนนี้ก็พยายามพยายมก่อนพยากรณ์ไว้ตรงแต่ก็บอกว่าสองพิคตักราชสองพันโลกจะสลาย แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห้าพันปีโดยเฉพาะอ ย, อย่างยิ่งทรงมีวยกรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงมีวัยกรไว้ที่อ่ดอยมุคลาข้างหนึ่งทรงตัดว่าชื่อว่าเขตประเทศเทนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความจเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสามารถทรงอุตสหศาสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีเขาห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นนั้นว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุธบอกก็หมาถึงว่าสงครามสีตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะสีตะวันตกหมายี่อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศส ถ้าประเทศอื่ น, นๆคัฐาลออกกลางสงครามจริงๆยังคงไปถึงประเทศไทยที น, นี้เรามาย้อนปลอยถอยหลังให้กอ น, นว่าตามที่พระเจ้าสมัญญาติรัสว่าก่อนกืองพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบรางข้าวฟันซึ่งอธร ก, กรันผลเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขณะนั้นก็ปรากฏลูกพุญกลจานจากาศดบ้างลูกระเบิดจอาการดบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ่งจาการ์ดประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งๆ ท, ที่ตู้มันหนักแสดงกขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟก็ไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลำบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นปเป็นเหตุันดานอย่างหนึ่ง นั่นก็ว่าสร้างความทุกข์ประดาท่พุทธบริษัทคาว่าสงครามนี่อาตมาพระพุทเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารเข้าสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตอย่าที่ที่ทรงอยู่ขณะนั้นอยู่ของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้แต่เกียงตะเกียงนั้นมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซลาก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูด้วยน้ำมันพร้ามาทําำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนก็หาไม่ได้ขอหายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเยอะมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นะักเพราะระเบิดจากกายก็ดีจาโรดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาค พ, พื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นถ้าว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจด่นต้องตระหัดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงด้วตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ่าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนาก็จงจะลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงคราม ก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่เมือเอ่ยคนที่นับถือพุทธศาสนากับศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบ ร, บราข้าวไฟกันในเขตของเราเขตพวกเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้า ก, กับสุนัขสุนัขต้องสองฝ่ายก่อกันสนามหญ้าก่อนแหลก ถ้าบังเอิญเขารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมให้ส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทยถ <c oughs> ้าเราความนึคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่วิทยากรตามหลับวิทยาศาสตร์ตหลับอะไรทั้ ง, งหมด เป็นเหการณ์คาดกรว่าเอตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุียุคกหมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะโู่ขึ้นเพื่อรับการสนับสนุนในการเงินการกำลังอาวุธจากที่อืน่นจากนั้นเราทหารตำรวจของเราก็ต้องเพิ่มกําลัง คอยไปรักษาเขตทนเ้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตที่ก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เฉาะพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงหรือไม่จริงถ้าเกิดจริงใ<ม> น, นส่วนประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ศีลศาสนาตรงกันข้ามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปราก็ว่าศาสนาที่มีคติตตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกําลังสูงขึ้น ที่เขาโตกันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อนถ้านน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้ถึงหลักสูตรการศึกษาเพราหลักสูตรพุทธศาสนาถูกทดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็จะมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าบางไปการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ ก็เป็ันว่าในเมืเ่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกอางด้านตะ น, ตอ น, ต, อนตอนออกกลางนี่เสรศษสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีก <c oughs> ขอเดานะไม่่พูดทำตรงแล้วว่าดูผิดทําไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดา ว, ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้เกิดเวลที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่แปดตุลาคมสองพันห้ารอยสาสิบสามแต่กว่าหนังสือนี่จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้าสงครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหาักล้างกันก็ไม่แน่นะกว่ามันจะเกิด ก็อยากจะบ่นบานสใส่กล่าวว่ามันไม่เกิดอะไรเป็นการดีแต่ ว, ว่าพระดำริขององค์สมเด็จพระจินดารสีไม่เคยผิดแต่ ว, ว่าท่านไม่ได้บอกคอสอเป็นนว่าประเทศไทยก็จะถูกหงางท้ายฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็น้ว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ ว, ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้าง โดยะว่าอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้อ ง, ง, ง, งใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอํามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ทันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของไฟนำ้ำมันมีอำนาจมาก สามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนําแค่เราส่งเรือไปซื้อของในเขตใ ด, ดเขตหนึ่งถ้าไปเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ําของเขาอาจจะยิงเรือพณิชุ์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีกพบระหวา่างสงครามจะมีความรู้สึกว่ า, นาวหนาวหนาร้อนๆอน แค่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาท่านผู้บริษัทวสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวนั่ น, นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาประกราศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียบ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงรๆแต่สําหรับความรู้สึกของผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลย ถ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาแลานอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายกระสับสินกระบอคนใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทำให้นะเกิดเป็น ว, ว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศสองพันห้ารอยี่สิเ็ด ถ้าท่านทำทุกครั้งท่านยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องโกรเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทำให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากาังเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกไว้เป็นในในเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธะ ใ, ใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตึ่ขึ้นมาให ม, ใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทโธก่อนถ้าทีไายขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสดนําลายเรื่องกำลังก็พุทโธแล้วสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้พายกระจายจะไม่มีแต่ทัน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทาไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอารัทธนาทุกวันว่านนุมานสสามครั้งแล้วก็ว่าวุโทเหมือนกันแล้วก็ให้ถ่ายให้ปลอดภยัยยานี้จะปลอดภัยอย่างรังสีต่างๆแม้แต่สะกิจเขาระเบิดก็หรือว่ากรสุนปินขางข้าศึกก็จะไม่มีอันไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าทนาหลายมีพรธารมสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคูยก น, นะถ้าบังเอิญเวลานี้มีอรักตั้งทายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบแปดล้านแต่ว่ารักยีรันเนี่ยรบกันมาประมาณแปดปีอเมริกาสก่งกำลังเข้ามาในอาโปเซียอิรักยีรันดีกันสิบ พื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักกิดได้กีพันดาตรังใหม่ก็ตามคืนให้หมดปล่อยเฉลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากันไปรักไม่เห็นด้วยกับีอเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของศา ส, สนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อ น, นอีกหนึ่งประเทศคือ อ, อิหร่าน ย่า น, นี่ก็ไม่เลี่ยเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาจะ่าลืมว่าสายเลือดที่เรือร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิงกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือพระศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นเชื่อ ง, งกับคมัมภีร์กรกฏขัาาน้นหลังวันในปีที่โยนแตก อเมริการห น, นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระธันวาหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกเป็นหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีกันระหว่างระหว่างฝ่ายกับฝ่ายก็ตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลก แต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลก ค, ครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมดวายถึงแม้ว่าอเอรอเมริกาก็จะอาจจะตกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้อถ <c oughs> ึงไม่ได้ถาม รวมความเามื่อคากรของท่านที่เบญจคอว่าจะเกิดทิดาว อ, อกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ธิวาวอกกลางกําลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจเริ่มบีบรัดกันขึ้นมาการถูกบีบที่บรรดาท่านผูกฟังรัฐบา น, านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง ก็ว่าการถูกบีบคั้นจากโลกตะวันตกนั่นหลายหายประเทศที่รียกว่าสันนิบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติกระต่างคนต่างบีบพั้นต่างๆหาทางการแคล้งถ้าไม่รบก็อดตายมีความจําเป็นต้องรบมาทวายยอมเสี่ยง ย่อมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายที่ น, นี้การรบความตายมาเกิดจต่เกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั่นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นมานจะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยส ง, งรครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่าน ก็ลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างอย่างาศาสนามุสลิมเขาเป็นาศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์เ <c oughs> จ้าเจ้าท่านมันเอนะ่ยนรงกิจกิจจรท่านบอกว่าใครละ่ะอันเอ็ดคาตดาฟี่มั้ง การเชื่อพี่ก็ถ้าพูดเชื่อพี่ขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจา ก, กันมาว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วยแต่ที่ยุ่งน่ะเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกข อ, ข, อของเป็นของปัตยม่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ในความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะเข้าเอาอแปดจังหวัด ถ้าแป่จังหวัดได้เขาไอ้สี่หกจังหวัดเพื่สุดเขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชันใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนะันไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเรื่อยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริง สมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นเอ๊ที่ผู้ใดไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นเพียงว่าท่านนรงท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกาา ป, าประธานาธิบดีของเขาประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขามาจะยุง เ, เป็นเรื่องของศาสนารืศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกัน ตรงความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างในการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตัวเออกกลางมาพูดก่อนถ้าไม่เกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ามันนิดหน่อยแต่ว่าน้ามันในประเทศไทยถ้าเร่งรักจริงๆจะเหลือใช้ ข้อะไรเพราะว่าน้ามันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังอที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านผี่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพาดานจริงๆของน้ํามันจะยความว่าเปนถังน้ามันถังใหญ่จริงๆนะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ํามันเขาอยู่ส่งกับเราประเทศพม่าก็มีน้ํามัน อินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยล่ะอยู่กลางทำไมจะไม่มีน้ำมันและเวลานี้การจอดน้ามันการดูดน้ามันเขาบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็าบอกว่าความจริงปริมาณน้ำมันที่ได้มันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมา ข้อนี้ยาเทตรรสรรต์สจริงประการใดมริษัรโซสดตต่ลงสุกิมแต่เขาบอกก็แจ้งบอกว่าได้น้อยก็แล้วก็ยังมีหลายหลุมที่เจาะพบแล้วเขาบอกว่าไม่พอกระเชงพาณิชย์จริงไม่ยอมดึดไม่ยอมดวดขึ้นมา <c oughs> นี่ก็เป็นดิลายเขาพอาค่าเป็นของธรรมดาถ้าได้กำไรน้อยเขาจะไม่เอา เื่อมาพกูกอีทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาวิชาการเจาะน้มันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กำลังกำลังจะเจาะก่อนที่จะออกคงญแจและลรม่มเจาะนกัดที่สมฉาใกล้ๆกับบ่อเดิมจะนำกัตมรวมกันเข้าท่อดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปไม่ปริมาณสูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่าน ว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลบริษัท ต, ต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่งอันนี้พูดนี่เป็นการสมมติกันนะจะเชื่ออะไรไม่ไม่สมควรเชื่อ ก็เป็นความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพืย์เดานของถังน้ํามันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งทหารคือเป็นทะเลน้ํามันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ํามันจริงก็เช่นเดียวกันนแล้วก็พ ม, กกม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เห ม, มือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอุไนก็เหมือนกัน มันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าลงเออเราจะเจาะอย่างขึงกที่เขาบอกว่าขิดเจาะที่ทะเลเหนืนะอเจาะลงไปลึกลงไปใต้ดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ํามันขึ้นมาอย่างเพียงพอแต่ประเทศไทยเราสํารวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ํามันพอดีเจาะได้ก็ลองเจาะสหกกิโลเมตร ถ้าจะสักหกกิโลเมตรจะมีผลเป็นปรปการใดเรื่องนี้ก็อลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความชำนาญนนด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร์สัพพท่านดรอกรตอรสตร์ษาจะบอกว่าถ้าจะลงไปถึงหกกิโลเมตรในในถังน้ำมันที่มีพื้นแผ่นดินหนา ไม้ความมาเปลือไว้ความมาหลังถังนั้นลึกลงไปเจาะเอาเป็นแค่สามกิโลเมตรจะถึงปะถึงผิวถังน้ํามันเป็นลังคาน้ํามันถ้าถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ํามันบ่อ น, น้ํามันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้นในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนัก ในที่นี้ถ้าเจอะถึงหกิโลเมตรท่อจะจมไปในเ ข, เขตข้อมันประมาณสองกิโลเมตรถามท่าน ต, ตุาา๊รตศาสตราถานว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยจะถ้าทําอย่างนั้นจะใช้ได้สกิีป่ปีท่านบอกว่าเอางี้ก็นเลยกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีนะ้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนี่ระเบิดดาท่านผู้อนานแลท่านผูนน้ฟัง ถ้าบังเอิญท่านต้องเป้สับปรศาสตร์ทรัพยากรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีน้ํามันของเราถูกอุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกข้นน้ำมันถูกแล้วจะขายตามประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอารมณ์ดาท่านพุทธบริ ษ, ษัทหลายเล่าคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยวเธอเพลงว่าเล่นที่สิบแปดที่จะไม่ครบ ทำไมแล้วบ้างตามทุกคนถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รกมันก็มาทำว่าอันไปดูเวลาหรือเวลานาทีร็จเศษขอขอเตือนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพระบุชาวว่าขอองค์สมเด็จพระบรมาโลกกัเชิดว่าจงยาหวันไหวต่อสงครามขอยยืยนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลก หลายจะไปอดตายพระสงครามโลกแล้วก็เรานักเศษนักเกษตรศาสตรก็ดีนักเกษตรศาสตร์นี่จะมีโชคดีมากคือจะรวยข้าวจะแพงพ่อจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจ ะ, จะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความดมสมบูรณ์เอาละเวลานี้เหลืเวลาอีก10ปีวนา ท, ท, ท, ท, ท, ทีขอลาก่อน ขอความสบสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและรับฟังทุกท่านสวัสดี